กรับขอโอกาสจากหลวงพ่อคำเขียนครับขอโอกาสจากประชัชนทุศินแลวก็เพื่อนสาธมิกเจริญพรพวกเราทุกๆคนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะก็ได้ไปเรียกว่าได้ไปเดินทุ ด, ดง ได้ไปเดินธุดงหลายหลายที่ก็ไป <c oughs> ก็เรียกว่าก็ <c oughs> เหมือนกับเราก็ไปก็เรียกว่าอาศัยการเดินธุดงเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยก็วันหนึ่งก็เหมือนกับได้เดินจงกรม มาหนึ่งยี่สิบสามสิบกิโลนะก็เดินช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็ประมาณสักห้ากิโลห้ากิโลก็พักทีหนึ่งห้ากิโลก็พักทีหนึ่งอันนี้เพียงแต่ว่าทางเดินจงกลมไม่เป็นทางเรียบเรียบไม่เป็นทางเรียบเรียบเหมือนอย่างที่พวกเราเดินกันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นทางขึ้นเขาลงห้วยนะฮะก็เป็น จนานจกจังหวัดน่านจากจังหวัดน่านก็ต่อไปพะเยาจากพะเยาก็ต่อไปเชียงรายก็เราก็ตั้งใจกันถือธุดงขบัตรก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะถือธุดงขบัตรในข้อไหนอะไรยังไงหรือว่าจะถือกันกี่ข้อธุดงขบัตรก็อาทิเช่นแบบว่าฉันอาสนะเนาะถันฉันเมื่อเดียวลุกแล้วก็ไม่ ก็เรียกว่าไม่ฉันอีกอย่างนี้นะอย่างนั้นหรือว่าตักแล้วก็มีอะไรมาเพิ่มก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เพิ่มอีกอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นนะหรือว่าจะถือก็อเรียกว่านอนโค้นไม้เป็นวัดหรือว่าจะอะไรต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ใครแต่ละคนจะตั้งใจตั้งใจกันก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็เป็นเหมือนกับ เป็นความตั้งใจโดยโดยส่วนตัวที่จะบาเพ็ญเพียรเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องก็าตามตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับแล้วก็มีข้อก็เรียกว่าข้อปฏิบัติของกลุ่มเนาะข้อตกลงของกลุ่มมันหนึง่งก็คือว่าเราจะไม่ใช้สตังค์กันคำว่าไม่ใช้สตังค์ก็คือไม่มีการซื้อนะฮะไม่มีการซื้อใดใ ไ, ได้อะไรก็เอาอยางนั้นอย่างเงี้ย ปรากฏว่าในกลุ่มก็จะมีพระไปด้วยกันเก้ารูปเนาะแม่ชีเริ่มต้นก็มีแม่ชีที่ห้าท่านแล้วก็มีโยมไปสามท่านทั้งคณะก็เยอะอยู่ก็คือประมาณสัก1ิบสิบเจ็ดคนนะทั้งหมดรวมกันก็ตอนแรกก็มีความคิดกันว่าเอ๊ะคณะใหญ่ขนาดนี้จะเอถอท่าไปไหมจะแบ่งต้องแบ่งย่อยไหม ชาวบ้านจะรองรับพวกเราได้ทั้งหมดหรือเปล่าอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งใจกันว่าถ้าคณะใหญ่ขนาดนี้เราจะไม่พักวัดเนะว่าจะไปหาป่าช้าพักกันก็จริงๆแล้วในทางเหนือ ก, ก็จะมีลักษณะอยู่อันหนึ่งก็คือวัดก็จะไม่ใหญ่นักไม่เหมือนอย่างที่เราสุกโตเนาะบางทีวัดก็มีพื้นที่แค่สองสาไร่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็พระก็จะมีอยู่ รูปสองรูปอย่างมากอะไรเงี้ยนะฮะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราไปคลมหนึ่งสิบกว่าคนอย่างเงี้ยก็วัดคงละบากอ ย, อยกู่ก็ปรากฏว่าเราก็ตั้งใจกันอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าพอเราถึงเวลาก็จริงๆก็ลองดูออย่างเงี้ยลองรวมๆมตัวกันดูก่อนปรากฏว่าเริ่มก้าวออกจากจุดเริ่มต้นเนาะ ก็เดินมาไม่ถึงร้อยเมตรก็มีคนชาวบ้านข้างทางเนาะเป็นร้านค้าเป็นคนซื้อของเห็นกระบวนเราก็เริ่มถวายของก็ยังไม่อะไรนะก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเห็นพระทุดงเดินพันมาคงนึกถึงว่าพระคงจะร้อนคงจะเหนื่อยกันก็แบบก็ถวายน้ำกันก็ตลอด ต้องเรียกมาตลอดทั้งยี่สิกวันที่ไปเดินอยู่ก็เรื่องของก็เรียกว่าศรัทธาเนาะในศาสนาพุทธศรัทธาในพระก็คิดว่าไม่ไม่เคยขาดเนาะอย่างตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราจะได้รับน้ำเนาะคนที่เขถวายน้ําำข้า ง, า ง, างทางทุกวันทุกวันเนาะวันหนึ่งก็ต้องเรียกว่าบางครั้ง หนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนที่เขาเตรียมของถวายพระหนึ่งรูปหรือว่าถวายคนที่อ่แบบว่ามอบให้กับคนที่เดินไปด้วยกันเนี่ยบางครั้งก็ก็จะมีน้ําน้ําสักขวดหนึ่งมีนมสักอันหนึ่งแล้วก็อาจจะมีอน้ําอะไรอื่นๆืนอีกสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็จะเตรียมจะเตรียมเป็นอย่างนี้บางคนก็เตรียมน้ําขวดเดียวนะอะไรต่างๆนาน า, นา แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพวกเราเองเวลารับของมาเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องกระจายกระจายต่อเพราะว่าเดี๋ยวเดยวก็เดียเด๋ยวก็มีอีกแบบ ก, กันไม่ไหวนะฮะต่างเรียกอย่างนั้นอะไรยบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยจะมีแบบว่าก็เหมือนกับพอเห็นมีเหมือนกับพอคนเห็นว่าเอ้าคนนี้ถวายเดี๋ยวอีกสองสัมบ้านถัดไปก็ถวายดียอีกสองสมบ้านถัดไปก็ถวาย ถวายของกันนะแล้วก็แบบไม่ไม่ได้เลือกพระเลือกฉีเลือกโยมนะก็ทั้งหมดก็ได้รับกันทุ่นหน้ากันตรงนี้เราก็มองเห็นเรียกว่าศา ส, สนาพุทธที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยเนาะศา ส, สนาพุทธที่พระเจ้าได้เริ่มต้นเอาไว้ให้ก็ถือว่ายังเป็นศรัทธาที่เขาเรียกว่ามั่นคงมั่นคงมากๆมีอยู่ก็เรียกว่ า, าก็เรียก ธรรมะจัดสรรเนาะก็หลายครั้งที่เราก็เหมือนกับเดินบินทบาติเดินบินทบาติในหมู่บ้านเดินรอบหนึ่งไม่มีใครใส่เดินรอบที่สองก็ไม่มีใครใส่ก็ว่าเออเอ า, เอาลองดูนะวันนี้จะมีอะไรก็เอาอย่างนั้นกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอกลับมาถึงที่พักนะก็มีคนเอา้ามาแบบว่ามาถมายอาหาร ต้องเรียกว่าอาหารทุกวันก็ไม่เคยขาดนะฮะสิบกว่าชีวิตที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นก็เรียกว่าถือว่าไม่ไม่มีวันไหนที่ที่เรียกว่าไม่อิ่มนะ <c oughs> ก็มีอยู่วันหนึ่งที่อืมอําเภออําเภอปัวจังหวัดน่านเป็นบ้านเล็กๆแต่ว่าพอดีเป็นบ้านเก่านะเนาะเรียกว่าเป็นบ้านเก่าที่เคยเป็น ก็ เ, เรียกว่าเหมือนกับจะเป็นตัวอำเภอหลักเมื่อสมัยโบราณหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยปรากฏก็เป็นหมู่บ้านที่คนคนเป็นปึกแผ่นเยอะเยอะมากีายปรากฏกว่าวันนั้นเราเข้าไปถึงก็เวลาที่เราเข้าไปถึงเราก็จะไปขออนุญาตอ่า เ, าเรียกว่าพวกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอาขออนุญาตไปพักประชาได้ไหมอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเขาก็แบบก็ก็ถามไถ่กันตรงไหนถึงจะดีถึงถึงจะรองรับพวกเราอะไรเี้ยอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าก็ไม่เราพวไ ม, ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรที่ดีมากมายแต่ว่าขอให้เป็นที่ที่พวกเราสงบแล้วก็พวกเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมกันได้ดี ก็เราก็ยังยืนยันม่าขอขอปาช้าก็เอาเขาบอกว่าตัวน้นน้ําไม่ค่อยมีน้ําเหมือนไม่ไม่ไม่ดีนักอะไรเงี้ยก็บอกมันไม่เป็นไรแล้วก็พักแค่คืนเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายปรากฏไปถึงก็มีห้องน้ําห้องหนึ่งเนะาะวันนั้นก็มีกันอยู่สิบห้าสิบหกคนมีห้องน้ําห้องหนึ่งแล้วก็น้ําท่อประปาแตก ท่อป่าปาแต่จริงๆจริงๆคําว่าป่าป่าตรงนี้ทางเหนือนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นป่าปาภูเขานะฮะเป็นประปาภูเขาน้ําอุดมสมบูรณ์มากๆเลยก็แต่ปรากฏว่าท่อประปาแตกแล้วก็เขาก็มาพยายามขุดกันดูแล้วก็ท้ายสุดก็ไม่ได้ก็ชาวบ้านเขาก็เอื้อเฟื้อกับคณะพระทุดงกันมากๆนะฮะอย่างนั้นก็เราก็แบบว่าก็ได้อยู่กันก็ปัดกวาดที่พักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ทางทางชาวบ้านก็ามาดูแลพอสมควรเห็นเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เขากลับกันแล้วก็ถามก็บอกว่าเออพรุ่งนี้เนี่ยจะบินถมาศกันได้กี่โมงทางเหนือช่วงนี้จะค่าช้ากว่าพวกเราสักหน่อยเพราะเนื่องมากพระอาทิตย์อ้อมไปทางทิศใต้นะนั่นบางทีใกล้ๆเจ็ดโมงนะฮะทั้งหมอกทั้งแสงอะไรต่างๆน า, านาเหล่านี้ก็ยังมืดมดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะบินถมาศกันได้ใกล้ๆใกล้ๆเจ็ดโมงก็ปรากฏว่า พอเราบินธบาตไปถึงก็จุดแรกที่เริ่มเห็นคนเนาะก็รับรับบาตเสร็จเรียบร้อยก็ถามเขาบอกว่าเออเราจะเดินไปทางไหนดีเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรแนละ้วก็มีทั้งซ้ายมีทั้งขวาก็เวลาที่เราจะบินธบาตบางทีก็มกีเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะก็ใช้ GPS ดูมาหมู่บ้านนี้เนี่ย มีเขาเรียกว่ามีเส้นทางตรงไหนที่เราจะได้บินถาดกันบ้างเนีครปรากฏบว่าหมู่บ้านนี้ก็มีมีอยู่สองวงชาวบ้านก็บอกบอกว่ายืนอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวคนเขาก็จะมาใส่บาตรกันเนี่ยที่ตรงนั้นเราก็เห็นวัดอยู่แบบว่าไกลาจากจุดที่เรายืนอยู่ประมาณสักสองสามร้อยเมตรก็ ปรากฏว่าพอยืนยืนอยู่แป๊บเดียวนะฮะเริ่มต้นก็ได้รับบาทจากประมาณสักสิบกว่าบาทแล้วเสร็จแล้วเขาก็นิมนตให้ไปเดินต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งบอกจุดนี้ก็เป็นจุดรับบาทอีกที่หนึง่งก็รับบาทจุดที่สองก็ได้รับประมาณอีกสักสามสิบบาทปรากฏว่ามันนั้นบินทบาดอยู่ประมาณสักแบบว่าชั่วโมงหนึ่งพราะเขาก็นิมนต่อไปนิมนตต่อไปนะกลับมาถึงที่พักนี้ ได้ข้าวประมาณสัก200อยห่อได้อาหารได้อะไรต่างๆนานาแล้นี้โอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่พวกเราก็จะเหมือนกับพิจารณากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะบอกบอกกับทางพวกชาวบ้านบอกกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือแรงต่างไปก่อนว่าของที่เหลือตรงนี้ก็เอาไว้ให้ศูนย์เด็กเล็กก็ดีเอาไว้ให้โรงเรียนก็ดีอะไรต่างๆนานาอันา น, า น, านี้ก็บริหารจัดการกันวันนั้นก็ปรากฏว่า ก็เาเรียกมาก็ต้องเอาใส่กระ บ, บะหลังรถไปหลังจากที่พวกเราไปกันแล้วก็จะมีภาพแบบนี้อยู่แบบเรียกว่าสองสำแห่งนะที่หมายว่าอาหารที่ชาวบ้านมามาใส่มามาบินธมาบากันมามาใส่บาทกันเยอะแยะไปหมดนะฮะอยนแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ก็คือร0อเรซต้องเรียกว่าร้อยเซจะเป็น อาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูกนะข้าวหุงกันเองแต่ว่าอาหารจะเหมือนกับซื้อจากร้านค้ากันนะเหมือนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําอาหารกันเองก็น้อยลงมากมากนะก็จะเป็นวัฒนธรรมของความสะดวกหรืออะไรยังไงก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือตรงนี้เนี่ย อก็ เ, เรียกว่าชีวิตชีวิตที่ชีวิตสมัยใหม่นะคนเหมือนกับนอนดึกกันขึ้นพอนอนดึกกันขึ้นเนี่ยเช้าก็จะตื่นช้าลงแล้วก็พอตื่นช้าลงเช้าก็อาจจะเหมือนกับการบริโภคอาหารตอนเช้าก็เหมือนกับอาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นอย่างอื่นไป หลายๆวันที่บางครั้งกับข้าวไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่ามีขนมเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็จะมีการใส่ข้าวแล้วก็ใส่ขนมอย่างไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวนะพอข้ามไปฝั่งลาวก็เป็นแบบเดียวกันวัฒนธรรมเหมือนกันนะฮะอย่างนั้นมีแบบว่ามีข้าวแล้วก็มีขนมเป็นกลับแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดขัดแคลนขนาดนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าคือเรามองมองดูบางที ยี่สิบสามสิบ้านเนี่ยจะใส่กับข้าวประมาณสักสามบ้านอะไรทํำนองนี้นะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นขนมกันก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าในเวลาที่เราไปเดินทุด่ดงกันมีอะไรก็เอาอย่างนั้นมีอะไรก็เอาอย่างนั้นกันแล้วก็จะเจอถนนหนทางจะเป็นขึ้นเขาลงห้วยยังไงก็ยอมรับกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเองเราก็ได้เห็นก็เรียกว่าความ ก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวของใจเรานะอย่างนั้นบางทีใจแล้วก็คิดไปก่อนอา้าวความจริงเป็นอย่างนั้นบางทีเห็นถนนนะโอเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นเราก็คิดไปอะไรต่างๆนานานะความคิดกับความคิดกับก็เรียกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆ ม, มามันก็จะมีการได้แบบว่า มีการปรุงแต่งกันไปนะฮะงั้นก็ได้เห็นได้เห็นเรื่องพวกนี้ก็ชัดเจนหรือว่าความเป็นไปของกายก็ดีอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งว่าชาวบ้านเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยทางต่อไปเนี่ยจากจุดนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณสักสิบกิโลแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาห้ากิโลนะ แล้วก็ฟังเฉยๆนะแล้วก็เดินมากันหลายวันแล้วก็ทางเหนือก็ขึ้นเขาขึ้นขลงๆขึ้นขลงลงกั น, นไม่ได้หยุดก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็พนันก็เริ่มเดินไปปรากฏว่าพอเดินไปก็ทางขึ้นเขาที่ก็บอกห้ากิโลนี้สรุปรวมแล้วเนี่ยห้ากิโลไม่มีไม่ ม, ม, มีเขาเรียกว่าทางเรียบให้พักเลยเราขึ้นกันตลอดขึ้นกันตลอดก็ โอ้แบบว่าพอเป็นทางขึ้นตลอดเนี่ยร่างกายก็จะเหมือนกับว่าก็ทํางานหนักนะอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนร่างกายที่ทํางานหนักก็ทําได้ให้เห็นหนะว่ า, าเออนี่เวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราลา้าร่างกายล้าเนี่ยเาะจะเห็นมันล้ามากกว่านะนิดนึงเพราะว่าพอเวลาที่หยุดปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาก็ทํางานของเขาทันที ทำงานของเายถึงว่าเขาก็พักของเขาทันทีเหมือนกันอะไรเงี้ยพอกขากพักแป๊บเดียวเนาะให้ความเมื่อยความไรก็หายนะครกล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่หรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เขาก็จัดการตัวเองได้เร็วเนะพักสักพักหนึ่งแล้วก็มีแรงเดินต่อแต่ว่าจริงๆแล้วก็สิ่งที่ ทำให้ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของใจนะโอ้โหนี่อีกเมื่อไหร่จะครบห้ากิโลหรือว่า อ, อีกเมื่อไหร่มันถึงจะมีก็เรียกว่าทางเรียบๆให้เราได้พักบ้างเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเดินพอเวลาเดินที่ชันๆนะับมันก็จะเท้ากับขาเนี่ยมันจะไม่ตั้งฉากากันพอเท้ากับขาไม่ตั้งฉากกันมันก็จะทําให้เส้นเส้นเอ็นมันตึงนะเส้นตรงน่องมันก็จะตึงทําให้การเดินเนี่ยก็เดินได้ก็เรียกว่า ไม่นานก็เกิดการปวดเมื่อยขึ้นตรงนี้เองก็มองเห็นเนาะมองเห็นการเขาเรียกว่าพอเราปวดเมื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีก็ใจร้อนเนาะก็คือเหมือนกับหาหาหยุกหายาเนยมาทาตอนนั้นก็จำได้ว่ากลับมางานศพของคุณเงานะเนาะ ก็มีการให้ก็เรียกว่ามีใบสั่งขอพวกยานวดยาอะไรกันต่ตตางๆนานาเหล่านี้มาก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาปวดเมื่อยปุ๊บเราก็กเรียกว่าก็ทาเพื่อการคลายคลายเมื่อยเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็โดยส่วนตัวก็ลองทดลองดูนะว่าจะไม่ใช้ของพวกนี้ทาเลยนะฮะอย่างนั้น ก็เราก็มองเห็นร่างกายเขก็ฟื้นตัวได้ดีนะอย่างนี้อย่างสมมุติถานว่าความปวดเมื่อยเนี่ยก็อย่างย่งที่บอกเวลาที่เราเดินเนาะเดินประมาณสักกิโลหนึ่งถ้าเดินขึ้นเขาประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรียกว่าทั้งอ่าก็เรียกว่าระบบหายใจของเราเราก็เริ่มที่จะหายใจแรงก็จะไม่พยายามที่จะอ้าปากนะก็จะ หายใจพอสังเกตดูเอ ห, หัวใจแล้วก็เต้นแรงลมหายใจแล้วก็หนักหนักแล้วเนี่ยขาเขอะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เมื่อยละก็หยุดพอหยุดก็ความปวดความเมื่อยเนี่ยก็เท่าที่สังเกตดูเนาะไม่เกินห้านาทีนะฮะก็หายละก็พร้อมที่จะเดินต่อได้ละลมหายใจก็กลับมาเป็นปกติหัวใจก็กลับมาเต้นเป็นปกติ ร่างกายก็เขาก็ทำงานก็ได้เร็วมากๆนะฮะเร็วมากๆแล้วก็เวลาที่เราเดินอย่างวันที่เราเดินมากที่สุดนี่ก็สามสิบกว่าสามสิบกว่ากิโลขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงๆๆลงๆๆกันพอถึงที่พักก็ต้องเรียกว่าพอส่งน้ำเสร็จนะจัดการอะไรต่างๆนานานเหล่านี้เสร็จประมาณสักทุ่มก ว, ก, วกว่าก็ได้พักกันเนี่ยก็ ตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ความเขาเรียกว่าความปวดความเมื่อยที่มีอยู่ความล้าหมดแรงที่ <c oughs> ไม่อยากจะทําอะไรอย่างอื่นต่ออีกแล้วเนี่ยในตอนกลางคืนก็หายทนละ้วก็กระปรี้กระเปล่าตื่นเช้าขึ้นมาบินทบาดกันทําวัดเช้ากันอะไราตานานานเหล่านี้ได้ดีก็มองเห็นทุกคนก็เป็นอย่างนั้นกันนะตรงเนี้ยเราก็ได้เห็นไนอะ้ความเป็นไปของกายได้เห็นความเป็นไปของใจ ได้เห็นในความเคลื่อนไหวของกายได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจที่เราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เนะาะบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราใจนี้ไม่ใช่ของเร า, เรากายนี้ไม่ใช่ของเราเขาก็ทำงานของเขาไปเองก็เห็นได้เห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วก็เห็นได้ต้องเรียกว่าทุกขณะจิตเนาะขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอนิสงสงของการที่เรียกว่าเราหัด ที่จะเป็นผู้ดูเนาะการถัดที่จะเป็นผู้ดูเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นในความเป็นไปของกายหเห็นความเป็นไปของใจตรงนี้ได้ได้ดีก็ในก็เรียกว่าในขณะที่เดินไปเนี่ยก็จะมีเ็าเรียกว่ามีพระจีนเนาะที่เพิ่งท่านเพิ่งบวชเพิ่งบวชในพรรษาก็ตรงนั้นท่านก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าท่านก็แบบพยายามที่จะที่จะปฏิบัติพยายามที่จะปฏิบัติผ่านการผ่านการเดินท่านก็บอกบอกว่าสองสามวันแรกๆเนี่ยท่านก็พยายามที่จะมีมีสมาธิเนาะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือท่านก็บอกบอกว่าท่านใช้วิธีเลี่ยงความปวดเมื่อย เดินไปนะท่านก็บอกว่าท่านก็ปวดเมื่อยท่านก็เหมือนกับว่าเบีเ่ยงเบนเขาเรียกว่าใจของตัวเองเนี่ยไปมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็บอกบอกว่าเออพอเราทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ความปวดเมื่อยมันก็ถูกลืมไปถูกลืมไปแต่บอกว่าพอเวลาที่เขาเรียกว่าสมาธิมันหลุดเนี่ยบอกว่าความปวดเมื่อยเนี่ยก็แบบว่าจะวิ่งเข้ามาจู่โจมเหมือนมากกว่าเดิมได้ซ้ําไป หนึ่งเนี้ยนะ่นั้ น, น, นท่านก็บอกบอกว่าเออเนี่ยทําไมมันถึงได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเวลาที่เรามีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี้ยคือเรื่องอื่นก็จะถูกลืมไปความเป็นจริงเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นก็ถูกลืมไปก็บอกบอกว่าเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเองเราแบบว่า เวลาเราปฏิบัติทำกันคำว่าวิปัสสนาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงจริงๆการเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยเราก็เรียก่าเป็นการเห็นที่วิเศษเนาะเพราะว่าความวิเศษก็คือการเห็นตรงนั้น่ะมันจะทำให้เราเรียกว่าทุกน้อยลงตรงเนี้ยก็ก็บอกท่านนะบอกว่าให้เราลองดูสิว่า จริงๆแล้วไอ้การเดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปมีสมาธิกับจุดในจุดหนึ่งแต่ว่าเราลองสังเกตความเป็นไปของกายสังเกตความเป็นไปของใจตรงนเนี้ยเนาะแบบว่าอย่างท่านก็บอกว่าท่านก็เดินเนาะท่านบอกท่านเป็นคนออกกําลังมา ก, ก่อนแต่บอกว่าพอเดินไปทั้งวันทั้งวันเนี่ยโอ้โหบอกว่าโอ้ป Ł วดเมื่อยมากๆเลยเนี่ยเราก็บอกของว่าเป็นปวดเมื่อยเนี่ยที่เราบอกปวดเมื่อยมากๆเลยเนี่ย ให้เราเนี่ยเขเรียกว่ามองอย่างวิปัสนาการมองอย่างวิปัสนาการมองด้วยการมองที่เห็นตามคำเป็นจริงตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเนะไอ้คําว่าปวดเมื่อยมากๆเลยเนี่ยมันเป็นปวดตรงไหนกันนะมันปวดเอวปวดหลังปวดไหลปวดขาปวดแข้งอะไรไงก็ตามอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ <s poquito> กนะ็ให้เราดูลงไปเนาะให้เราดูลงไปจําแนกแยกแยะให้ชัดเจนหรือว่าการที่บอกว่า ปวดเมื่อยมากๆเลยตรงนี้ น, นะนะก็ให้แยกยะไปชัดเจนว่ามันมีช่วงเวลาไหนที่ปวดมากมันมีช่วงเวลาไหนที่ปวดน้อยมันมีตรงไหนที่ปวดมากมันมีตรงไหนที่ปวดน้อยมันมีเวลาไหนที่ไม่ปวดเลยตรงเนี้ยนะก็ให้ดูลงไปแบบนั้นดูตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราดูตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างก็บอกท่านบอกว่าอย่างตอนเนี้ยที่เรากําลังคุยกันเนี่ยน นี่เรากำลังนั่งพักกันอยู่นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ความปวดเมื่อยเนี่ยมีไหมเนาะมันมีอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนีตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราก็เรียกเป็นวิปัสนาเนาะเป็นการมองตามความเป็นจริงพอมองตามความเป็นจริงท่านก็บอกบอกว่าเออ น, นี่ความปวดความเมื่อยตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้อะไรต่างต่างนาน аров. พอเป็นอย่างนี้เนี่ย พอเรามองตามความเป็นจริงมันมีการปวดมากมันมีการปวดน้อยมันมีตรงนี้ไม่ปวดมันมีตรงนั้นไม่ปวดมันมีช่วงเวลานี้ที่ผ่อนคลายมันมีช่วงเวลานี้ที่เหมือนกับมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะเห็นเนาะเขาเรียกว่าพอเรามองตามความเป็นจริงสิ่งที่เราบอกว่าโอ้ปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยมันขาดลงเป็นตอนตอนมันก็จะกลายเป็นมีปวดบ้างมีไม่ปวดบ้างมีปวดมากมีปวดน้อย ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ความคิดเนาะที่มองว่าปวดเมื่อยไปหมดนะตรงนั้นมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกข์กับการเดินแต่เเวลาที่เรามองด้วยเขาเรียกว่าสายตาของการวิปัสสนาสิ่ง ต, ตานานาเหล่านี้มันจะถูกแยกย่อยออกไปมันจะกลายเป็นเรื่องของกายส่วนหนึ่งจะกลายเป็นเรื่องของใจส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องที่พอช่วงเวลานี้ปวดมากๆช่วงเวลานี้พอได้พักสักเดียวหนึ่งก็ หายปวดหายเมื่อยไปหลายๆส่วนบางทีเราเดินไม่ดีเราเกร็งไปตั้งใจเกินไปจอปวดเมื่อยเร็วอะไร ต, ตนานาๆเหล่า น, านี้มันก็ทำให้เหมือนกับว่าพอเรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราก็ได้เกี่ยวข้องกับกายกับใจได้ถูกต้องการเดินครั้งต่อไปก็วางใจได้ดีขึ้นวางกายได้ดีขึ้นนะการเดินก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไร บางทีก็บางคนก็สังเกตบอกว่าบางทีก็มีความรู้สึกบอกว่าเอ๊ะเห็นแม่ชีเนาะตัวเล็กๆเดินไปข้างหน้าเห็นแม่ชีตัวเล็กเดินไปก็น่าเอ๊ะเราเป็นผู้ชายเราอายุน้อยกว่าเขาเนาะเราก็ต้องแบบว่ารีบเดินเพื่อให้ทันหรือล้ําหน้าไปอะไรต่างๆอางนานะบางทีสิ่งที่ใจคิดแบบนี้มันก็ไปเร่งร่างกายร่างกายของคนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะร่างกายของเราก็ไม่ใช่สิ่งที่ เขาเรียกว่าเป็นของตัวเราจริงๆเราจะบังคับบัญชาได้ตามใจชอบแต่ว่าตรงนั้นก็ผู้ที่ยังไม่ทันได้คิดนะเขาเรียกว่าไปอยู่กับความหลงก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายนี้มันยังหนุ่มยังแน่นอยู่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็อ้าก็ไปเร่งพอเร่งไปก็ปรากฏว่าผลออกมาก็คือหายใจไม่ทันบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บางตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ในวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะได้เจออย่างนี้กันซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เลือกเนาะเลือกความเพียรด้วยการเดินด้วยการที่อยู่กับแดดอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับถนนร้อนๆ อ, อ, อยู่กับแรงตานานาเหลา่านี้เนี่ยสิ่งที่สัมแดงออกทางกายทางใจเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับทําให้เราได้เห็น เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยก็เยอะนะเยอะอย่างโดยส่วนตัวเองเดินก็เรียกว่าเดินก็ไม่ได้ถอดรองเท้าเนาะก็จะใส่รองเท้าตลอดปรากฏว่าการใส่รองเท้าตลอดเนาะก็พบว่าพอเมื่อไหร่ที่เราเดินเนาะเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาอย่างมันที่บอกว่าเดินขึ้นเขายาวๆห้ า, ากิโลเนี่ย ปรากฏว่าการเดินครั้งนั้นเนี่ยก็เราสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันก็จะจิกตรงปลายเท้าเนี่ยลงกับรองเท้าเนี่ยเยอะปรากฏว่าพอเป็นอย่างนั้นครับพอตอนเย็นเนี่ยก็ไายเท้าก็จะระบมเนาะแล้วก็จะมีการบวมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการจิกมีการเสียดสีทั้งวันตรงนั้นก็จะทําให้เกิดแบบว่ามีการบวมเป็นบวมน้ําขึ้นมา ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับอ๋อเราก็สังเกตเนะาะมานี่ก็คือการวางเรียกว่าการวางกายเนาะกับการเดินเราก็ปฏิเสธไม่ได้มาเนื่องจากเส้นทางมันไม่ใช่เป็นทางเรียบๆมันเป็นทางขึ้นเพราะนั่นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้พอเวลาที่เราเดินครั้งใหม่เนาะเราเดินครั้งใหม่ก็พยายามที่จะวางกายใหม่เพื่อให้เพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเป็น เป็นเป็นความสมดุลไม่เขาเรียกว่าไม่พยายามจิกเท้ามากเกินไปไม่อะไรมากเกินไปปรากฏว่าเออก็ดีขึ้นข้างหนึ่งเท้าสังเกตว่าเท้าซ้ายเนี่ยจะเป็นเท้าที่เหมือนกับมันมีความพยายามในการที่จะอ่าเขาเรียกว่าในการที่จะเหยียบจะย่างเนี่ยมากกว่าเท้าขวาเนี่ยนะเท้าขวาก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสบายสบายกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่า เราถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายเพอถนัดขวามากกว่าการก้าวเท้าขวาก็จะเป็นการที่เหมือนกับเป็นการเป็นไปเองที่ไม่ต้องพยายามเลยมากแต่พอเวลาเราก้าวเท้าซ้ายก็มีความรู้สึกว่าเออนี่ก็มีความพยายามมากกว่าก็สังเกตสังเกตใจตัวเองดูนะว่าเออสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่ามันเป็นไปเองเนาะตามธรรมชาติเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันเป็นความเคยชินการถนัดซ้ายการถนัดขวาแต่ว่าตรงนั้นก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายก็ได้แสดงออกจากสิ่งที่เหมือนกับการฝึกฝนของตัวเราแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเห็นเขาเรียกว่าเห็นผลเนาะเห็นผลของการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งก็คือเ็าเรียกว่าพอเราเนี่ยเหมือนกับได้ฝึกที่จะมองกลับมาที่ที่กายที่ใจเนาะ อย่างที่บอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวก็มีใจรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวก็ดูใจคิดนึกอะไรต่างๆตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ที่บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มศรัทธาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เริ่มแนะนํำเราคําแรกๆที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าใช้มาก็เรียกว่าใช้มาได้ตลอดเนาะใช้มาได้ตลอด การกลับมารู้สึกตัวตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คำคาที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้สิ่งต่างๆก็ได้ต้องเรียกว่าได้เราก็ได้ระลึกใช้กันได้ระลึกใช้กันตลอดสิ่งที่หลวงพ่อเคยบอกบอกว่าโอ้นี่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็กลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนตรงนี้ก็ยังใช้ได้อย่างดีนะ คือเขาเรียกว่าคําแนะนําในการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อก็ดีของครูบาอาจารย์ต่างๆจะเป็นพระอาจารย์ทรงศิลก็ดีจะเป็นพระอาจารย์ต่างๆก็ดีที่แนะนําเอาไว้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็ทบทวนกลับขึ้นมาในการที่เราดําเนินชีวิตไปประจําวันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อก็ยืนยันนะว่า สิ่งเนี้ยที่เรากำลังทำกันอยู่เนี้ยมันเป็นทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งที่สุดทำเท่านี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ไม่ว่าอะไรจะก็ตามจะเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนไม่ว่าเราจะสงสัยอะไรยังไงก็ตามนะกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนความสงสัยก็หายไปไม่ว่าเราจะก็เรียกว่าจิตใจเราเองจะไปตกทุกข์กับไอความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรากลับมารู้สึกตัวไว้ gehen? ก่อนก็สิ่งต่ตางๆนานาเหล่านั้นก็เรียกว่าเขาก็ จิตดวงนั้นเขาก็ดับไปสิ่งจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้มองเห็นก็เรียกว่าไตรลักษณ์เนาะผ่านก้าเดินของเราเนาะหรือว่าการเห็นไตรลักษณ์ผ่านหรความคิดความเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจเราในต่างๆนั้นะผ่านสถานการณ์ต่างๆ ต, ต, ตรงนี้เนี่ยก็ได้มองเห็นก็เรียกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เนาะ สิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์กันเนะาะก็คืออย่างที่บอกแบบว่านเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนตรงนี้เนี่ยก็สำแดงออกออกมาให้เราได้เห็นเหมือนอย่างที่เรียกว่าก็ทุกต้องเรียกว่าทุกขณะเนานะต้องเรียกว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้ยืนยันนะว่าธรรมะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ย ก็ เ, เรียกว่าหัดดูไหมตรงเนี้เนาะหรือว่าเราเนี่ยแบบว่าคุ้นเคยกับการเป็นผู้เป็นน่าเราก็ยังหัดดูได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นนั่นคือตรงเนี้เนาะว่าสิ่งที่หลวงพ่อคําเขียนเนาะได้พูดเอาไว้ความเป็นผู้ดูผู้เป็นเนี่ยที่ทําให้พวกเขาเรียกว่าคนต่างประเทศเนี่ยสะดุดหูแล้วก็ขอเข้ามาก็เรียกว่าขอเข้ามาฝึกปฏิบัติที่วัดปาาสุโกโตกันหลายหลาคนตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอืมเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะเนาะเพื่อให้เราได้ปฏิบัติกันอย่างก็เรียกว่ากระชับมากๆเนาะแล้วก็ได้ผลมากๆเพราะเพียงแค่เราเนาะเรียกว่าคอยเป็นผู้ดูเนี่ยไม่หลงเขาเ้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ย เราก็จะได้เห็นความจริงของชีวิตเราได้เห็นความเป็นไปของกายของใจเราแล้วเราก็จะเหมือนกับเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยยึดม่าอันนี้เป็นตัวของเราอันนี้มันเที่ยงอันนี้มันอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรามองเห็นผิดพวกนั้นมันจะทําให้เราทุกข์ไปหมดเนาะแต่พอเวลาที่เรามองตามความเป็นจริงตรงนี้ทําตามคําครูบาอาจารย์อย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าเมื่อแค่เพียงให้เรา เป็นผู้ดูเท่านั้นเองความทุกข์มันก็หายไปโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพยายามมาเลยสักอย่างเนาะอย่างนั้นเป็นเพียงแค่หัดเนาะหัดการเป็นผู้ดูหัดการเป็นผู้ดูแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อเคยถามเนาะดูเป็นแล้วหรือยังเนาะทําได้แล้วหรือยังทําได้เก่งแล้วหรือยังตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่อย่างที่หลวงพ่อเองก็จะย้ํากันอยู่ตลอดเนาะอย่างที่เมื่อวานก็ดีอะไรเงี้ยหลวงพ่อเทศเนาะแบบว่า การที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราออ เ, เอามาทําแล้วหรือยังถ้าเราเอามาทำเนี่ยเราทําได้แล้วหรือยังตรงนเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศเอาไว้เนาะมีปริวัตรสมีอาการสิองเนาะในอริยสัจสี่ต ร, ตรงเนี้ยก็คือพอเราได้ยินได้ฟังว่าทุกสมุทัยนี่ลดมรรคตัวนี้ก็คือเราได้ยินได้ฟัง แต่ว่าพอเราได้ยินได้ฟังเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องลองทําดูเนาะขั้นที่1ได้ยินได้ฟังขั้นที่2ก็คือลองทําดูขั้นที่สามทำได้แล้วตรงเนี้ยนะก็เรียกว่าเป็นปริวัติสเนาะเพราะฉะนัะ้นนั่นคือเมื่อสคูนกับ12ก็ไปไอ้คูนกับสี่เข้าไก็เป็น12บนั่นนั่นคือบางทีเราอ่านเนาะมีปริวัติส ม, มีอาการสิบสเป็นยังไงนาะจริงๆก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อก็ได้พูดกันอยู่ตลอดเนาะ ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปทําทําแล้วเนี่ยทําได้แล้วหรือยังทําได้แล้วนั่นก็คือเราก็ได้เห็นแล้วตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราทําได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีศรัทธาที่จะทําต่อเนาะศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ศรัทธาที่เป็นจริงนะเป็นศรัทธาหัวเต่าครูบาอาจารย์อ่ะอาจจะเป็นเพียงแค่แนะนําแต่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องทํานั่นก็คือทําให้ปรากฏเป็นจริงนะศรัทธาเราจะมั่นคง นั้นเราก็จะเหมือนกับว่ายืนยันเนาะการปฏิบัติธรรมเพราะยิ่งทำก็ยิ่งเห็นผลยิ่งทำก็ยิ่งเห็นผลเห็นผลก็คืออะไรเห็นผลก็คือความทุกข์ที่น้อยลงน้อยลงเราก็หางทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงใกล้ถึงจุดที่ไม่ทุกข์เข้าไปทุกทีทุกทีนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็อยากให้พวกเราทุกคนเนาะก็ได้อาศัยความเคลื่อนไหวของเราตรงนี้เนี่ยเป็นคํามฐานอย่างที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้วางเอาไว้ ถ้าหลักว่าเราอาศัยการเคลื่อนไหวของเราเป็นกรรมฐานเนี่ยเราก็จะได้เห็นจริงตามที่พุทธตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้แล้วก็ตรงนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยลงเรียกว่าพ้นทุกไปพ้นทุกไปแล้วก็จุดที่ไม่ทุกเนี่ยก็จะใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีก็ขอให้ ความปฏิบัติของพวกเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์ของเราที่เป็นจุดหมายเบื้องหน้าแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยก็ได้ถึงจุดที่จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กันในปัจจุบันชาตินี้ได้กันทุกคนทุกท่านด้วยก็พวกเราก็กลับละพร้อมกัน